เขาใหญ่ป่าดงดิบที่สร้างตำนานอาถรรพ์สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสก้าวย่างเข้าไปในป่าแห่งนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังจับตามองเราอยู่ทุกฝีก้าวยิ่งหากว่าผู้นั้นมีสัมผัสไวต่ออำนาจอาถรรพ์ต่างๆยิ่งจะรู้สึกได้ชัดเจนกว่าคนปกติทั่วไป นั่นจึงทําให้ในตลอดร้อยกว่าปีมานี้ป่าดงดิบอย่างเขาใหญ่ได้กลืนกินชีวิตนักผจนญภัยไปไม่ใช่น้อยจนมีการตั้งสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้นเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาป่าและดูแลไม่ให้เกิดเพศภัยแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนสารเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่คู่กับป่าเขาใหญ่มาอย่างช้านาน ผู้คนที่เดินทางเข้าออกป่าแห่งนี้นะคะส่วนใหญ่จะต้องมาบอกกล่าวแล้วก็ขอขมาทุกครั้งโดยมีการนำดอกไม้สดพวงมาลายัยหมากพลูผลไม้แล้วก็อาหารขาวหวานต่างๆมาถวายอย่างไม่ขาดสายนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือเหล้าขาวค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเส้นที่เจ้าพ่อชื่นชอบเป็นที่สุดนะคะไม่เพียงเท่านั้นยังมีคนมาบนบารสารกล่าวขอโชคขอชยัยขอสารพัดขอทั้งเรื่องงานเรื่องทางบ้านหรือว่าเรื่องความรักก็ยังมีนะคะซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่สมหวังตามคำขอเหล่านั้น จึงไม่แปลกนะคะที่ชื่อเสียงของท่านจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะยิ่งหากถามคนในละแวกนั้นต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเข่าใหญ่นั้นมากเหลือล้นจนสามารถดนบันดาลตามคำขอได้จริงแต่ว่าคำข อ, อนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและผู้ขอเองก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมค่ะ หากจะย้อนกลับไปดูประวัติของเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นก็ได้มีบันทึกเอาไว้ว่าในอดีตท่านก็คือประหลัดจ่างชาวบ้านในยุคหนึ่งที่รู้จักกันดีโดยเมื่อครั้งยังมีชีวิตท่านเองก็เป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นที่ตั้งนะคะ ท่านมีชื่อเดิมว่าจางนะคะเกิดที่อำเภอเขานางบวชในจังหวัดนครนายกค่ะต่อมาท่านเองก็ได้มีโอกาสดํารงตําแหน่งเป็นประหลัดกองทัพโดยมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยบรรดาหัวเมืองทิศบูรพาในระหว่างรับราชการนั้นค่ะท่านก็เป็นผู้ที่เคยผ่านสนามรบกับประเทศใกล้เคียงมานับไม่ถ้วนซึ่งในการรบแต่ละครั้งท่านก็จะมีความมุ่งมั่นในการรักษาแผ่นดินของชาติเป็นอย่างยิ่งจนเป็น รู้จักกันในหมู่ผู้ร่วมรบนะคะแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ดุดันในเวลาทําสงครามแต่เวลาที่บ้านเมืองสงบท่านเองก็ออกจะเยี่ยมเยียนชาวบ้านแล้วก็ทหารอย่างเป็นกันเองค่ะโดยท่านไม่ได้ถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใดหากว่ามีใครที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรถ้าท่านช่วยได้ท่านก็จะช่วยอย่างเต็มที่ทาให้ท่านเป็นที่รักของบรรดาผู้คนทั่วไป ด้วยความสามารถแล้วก็คุณความดีที่ประหลัดจางได้ทำแก่แผ่นดินมาโดยตลอดนะคะทางรัชการก็เลยได้รับมอบหมายค่ะให้ท่านเป็นผู้เก็บค่ารัชชูประการหรือว่าสวยนะคะถ้าเป็นปัจจุบันก็คือภาษีนั่นเองค่ะในอนาเขตนะคร น, นายกทั้งหมดนะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหาการเก็บคารัชชูประการที่ลดน้อยถอยลงทุกปี จึงพยายามควานหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดูแลพื้นที่ดังกล่าวหลายฝ่ายต่างมองว่าท่านประลัดจางนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุดทั้งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ซื่อสัตย์ในการทําหน้าที่แล้วก็มีจิตใ จ, จที่โอบอ้อมอารีเป็นมิตรต่อผู้คนนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรบรู้จักสภาพภูมิประเทศในเขตนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นนะคะหน้าที่ดังกล่าวท่านเองก็ยังเคยปฏิบัติร่วมกับทางราชการมาด้วยด้วยเหตุผลนี้นะคะท่านประหลัดจางจึงได้รับตำแหน่งดังกล่าวซึ่งคนในยุคนั้นยังจําติดตากับภาพของท่านที่แต่งกายด้วยชุดสีแดงมีดาบเป็นอาวุธประจากายแล้วก็มีม้าเป็นพาหนะคู่ใจ วีรกรรมความกล้าหาญของประหลัดจ่างนั้นมีอยู่หลายครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีการระบุในบันทึกเอาไว้นะคะว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้ข่าวว่าอดีตลูกน้องของท่านได้ผันตัวเองไปเป็นโจรตั้งเป็นชุมนุมโจรที่อยู่บริเวณป่าเขาใหญ่เมื่อศพโอกาสก็ออกปล้นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจนสร้างความเดือดร้อนกันไปทั่ว ต่อมาในครั้งที่ท่านประหลัดจ่างได้กเกษียณอายุราชการทางราชการได้ขอร้องให้ท่า น, นช่วยงานราชการอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือการทลายรังโจรในป่าเขาใหญ่ซึ่งในขณะนั้นท่านก็ตัดสินใจรับงานชิ้นนี้ด้วยความเต็มใจเพราะถือนะคะว่าเป็นการช่วยเหลือให้ชาวบ้านและก็คนทั่วไปอยู่กันอย่างมีความสุขก่อนที่ท่านจ ะ, กะเกษียณอายุราชการไปนั่นเองค่ะ ในขณะนั้นนะคะป่าเขาใหญ่ประกอบด้วยชุมเสือสำคัญด้วยกันห้ากก็คือชุมนุมเสือจันเสือบุญเสือไซเสือสาอางแล้วก็ชุมเสือสองพี่น้องที่มีเสือล่าแล้วก็เสือเย็นเป็นหัวหน้าชุมเสือนะคะหลังจากที่ท่านประหลัดจ่างได้ไปคุยกันกับหัวหน้าชุมเสือต่างๆปรากฏว่าส่วนใหญ่ค่ะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียอมที่จะสลายชุมเสือไป แต่ก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอซึ่งภายหลังท่านประหลัดจ่าได้มีการนัดให้กลุ่มโจรมาเจราจาที่ป่ายะคาใกล้หนองขิงการเจราจาครั้งนั้นต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันค่ะสุดท้ายก็เลยเกิดการประทะกันอย่างหนักเมื่อเสียงปืนสงบลงก็พบนะคะว่าหัวหน้าโจรและลูกน้องจำนวนหนึ่งเสียชีวิตณนะที่แห่งนั้นไปซะแล้ว นอกจากใช้ไม้แข็งแล้วท่านประหลัดจางนะคะก็ยังใช้ไม้อ่อนด้วยการพูดจาวหวานล้อมให้บรรดาชุมเสือต่างๆแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยลำเข้าไปในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ให้ยอมย้ายลงมาอาศัยที่พื้นที่ด้านล่างหรือพื้นที่ที่ทางราชการจัดให้ ก็มีโจรจำนวนมากค่ะที่ยอมกลับใจโดยดีหนึ่งในนั้นก็คือโจรสองพี่น้องที่เพียงพบหน้าท่านเป็นครั้งแรกก็ยอมลงจากหลังม้ามากราบท่านสุดท้ายก็ออกบวช จนเป็นครูบาอาจารย์นะคะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วบ้านทั่วเมืองแม้ว่าท่านประหลัดจางนะคะจากกระเสียนอายุไปแล้วท่านเองก็ยังคงช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ช่วยงานราชการอยู่เนืองๆค่ะแล้วก็จนกระทั่งท่านได้สิ้นลมในวัย75ปีด้วยพิษไข้ป่าซึ่งหลังจากนั้น ทางชาวบ้านและก็ผู้เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันส ร, สร้างสารเพียงตาให้ท่านโดยสร้างไว้ที่ใต้ต้นกระบกใหญ่ที่อยู่บนเขาใกล้กับโรงเรียนวัดหนองเคี้ยมในจังหวัดนครนายกโดยพากันเรียกขานนามว่าสารเจ้าพ่อปลัดจางค่ะ ส่วนความเป็นมาจากเจ้าพ่อประหลัดจางนะคะได้กลายมาเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นก็เกิดขึ้นหลังรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐโดยครั้งนั้นท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ที่เขาใหญ่และก็เห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากแต่กลับมีปัญหาในเรื่องของการบุกรุก ป, ป่าของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทาลายป่าล่าสัตว์ป่าหรือสร้างที่อยู่อาศัยในป่าก็ยังมีค่ะ ทำให้ในปีพุทธศักราช2502ได้มีพระราชบัญญตัติอุทยานแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่ของเขาใหญ่โดยรอบและตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2505ถือว่าที่แห่งนี้นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ต่อมาก็มีการตัดถนนพนรัฐนะคะเข้ามายังตัวเขาใหญ่โดยตรง หลังจากนั้นไม่นานทางจอมพลสริท ธ, ธนรัตน์ได้เกิดฝันถึงเจ้าพ่อเขาใหญ่ต่อมาท่านได้นำความฝันดังกล่าวนะคะไปเล่าให้พลร้อยตรีหลวงสุวิชานแพทย์เจ้ากรมแพทย์ทหารผู้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วซึ่งทางร้อยตรีหลวงสุวิชานแพทย์นะคะก็ได้ให้คำแนะนาในเรื่องนี้ค่ะว่าต้องมีการตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เมื่อได้ยินเช่นนั้นค่ะจอมพลสริศก็ไม่รีรอได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจัดตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งสุดท้ายหน้าที่ดังกล่าวได้มาตกลงที่อาจารย์ประมวลอุนหนันนะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากองบำรุงกรมป่าไม้ในขณะนั้น โดยในขณะนั้นอาจา ร, รย์ประมวลท่านก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยบริเวณถนนป่าเขาใหญ่แล้วก็บริเวณป่าเขาใหญ่อยู่ด้วยนะคะการตั้งศาลนั้นไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่สิ่งที่ยากในขณะนั้นคือจะยกให้เจ้าพ่อองค์ไหนเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ เพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวกว้างขวางเป็นอย่างมากมีศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่ต่างๆนับร้อยศาลท่านจึงตัดสินใจติดตามค้นหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยการสอบถามจากชาวบ้านโดยตรงซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน13วันก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเขาใหญ่มาสถิตในศาลแห่งใหม่แห่งนี้นะคะ ก่อนการตรวจสอบครั้งนั้นจะเริ่มขึ้นอาจารย์ประมวลก้ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเขาใหญ่มาอย่างช้านานช่วยดลบรรดาลให้ภารกิจในครั้งนั้นสําเร็จทันเวลาที่กําหนดด้วยซึ่งหลังจากเสาะแสวงหาเจ้าพ่อเขาใหญ่องค์จริงเป็นเวลาหลายวันจึงได้ข้อสรุปค่ะว่ามีเจ้าพ่ออยู่3มองค์ที่น่าจะเป็นเจ้าพ่อป่าเขาใหญ่มากที่สุดนั่นก็คือเจ้าพ่อตาแดงค่ะซึ่งเจ้าพ่อตาแดงก็เป็นเจ้าพ่อผู้ที่ เป็นที่รู้จักกันมากในแถบอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีพื้นที่ติดกับป่าเขาใหญ่เช่นกัน โดยชาวบ้านนะคะนับถือเจ้าพ่อตาแดงเป็นอย่างมากจนมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาค่ะว่าบ่อยครั้งที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าไปหาสัตว์ป่าหาไม้หอมหรือว่าพวกสมุนไพรในบริเวณป่าเขาใหญ่แล้วก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะแต่ก็พอจะมีคนรอดกลับออกมาได้เหมือนกันโดยพวกเขาต่างก็เล่าตรงกันค่ะว่าในขณะนั้นที่พวกเขาเดินป่าอยู่ก็เห็นผู้หญิงแปลกหน้าเดินอยู่ในป่าคนเดียวเมื่อพวกเขา ก็เดินตามไปแต่ไม่นานค่ะผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวแล้วก็กลายเป็นเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ออกมาแทนผู้ที่รอดกลับมาก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่รู้ว่าคนที่ไปด้วยกันแล้วหายสาบสูญไปนั้นถูกเสือกินไปแล้วหรือยังนะคะ ซึ่งต่อมาก็มีคำเตือนว่าหากเดินป่าในแถบนั้นแล้วเห็นผู้หญิงแปลกหน้าเดินอยู่คนเดียวอย่าได้เดินตามเป็นอันขาดให้เดินเลี่ยงไปหรือหากเป็นไปได้ค่ะให้รีบออกจากป่าโดยทันทีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่ออาถรรพ์ของเจ้าพ่อตาแดง ส่วนเจ้าพ่อองค์ที่สองที่เชื่อนะคะว่าจะเป็นเจ้าพ่อองค์ประธานของเจ้าพ่อทั้งหลายที่อยู่บริเวณเขาใหญ่ก็คือเจ้าพ่อเขาเขียวนะคะเป็นเจ้าพ่อที่มีศาลอยู่บริเวณตีนเขาเขียวซึ่งเป็นปากทางเข้าบ้านพักสำนักนายกรัฐมนตรีจากคำบอกเล่าของชาวบ้านระบุนะคะว่าเจ้าพ่อเขาเขียวท่านทาหน้าที่เรียบร้อยดังในอาเภอของปากเขาเขียว โดยในตอนแรกนั้นค่ะสารเจ้าพ่อเขาเขียวเป็นเพียงสารขนาดเล็กต่อมาได้มีการจัดสร้างขึ้นแล้วก็ให้ดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมนอกจากนั้นชาวบ้านยังเล่าถึงอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเขาเขียวให้ฟังว่า ในครั้งที่บริษัทอิตาเลียนไทยได้เข้ามาสร้างถนนาทางขึ้นเขาเขียวนั้นนะคะก็ได้ทำการลบหลูเจ้าพ่อเขาเขียวเอาไว้ทั้งๆที่ชาวบ้านเองก็ได้เตือนอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ภายหลังจากนั้นไม่นานช่างของบริษัทอิตาเลียนไทยคนหนึ่งก็ดิ้นตายอย่างเป็นปริศนาในใต้ท้องรถขณะที่กาลังซ่อมรถอยู่โดยสภาพศพปราศอาก็ปรากฏว่าเป็นรอยเขียวฟกช้ำบริเวณลำคอคะ่ะ จากนั้นก็ไม่มีผู้ใดที่จะกล้าลบหลู่เจ้าพ่อเขาเขียวอีกเลย หากว่าเป็นภารกิจที่สําคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็จะทําการบอกกล่าวอย่างถูกต้องซะก่อนซึ่งทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังคงกราบไหว้ท่านอยู่ยิ่งผู้ที่ต้องการที่จะเข้าออกป่าเป็นประจําถือว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ควรลืมปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนอกจากสองเจ้าพ่อที่กล่าวมาแล้วยังมีเจ้าพ่อองค์สุดท้ายนั่นก็คือเจ้าพ่อปหลัดจ่างในจังหวัดนครนายกซึ่งเจ้าพ่อท่านนี้ค่ะจะแตกต่างจากเจ้าพ่อองค์อื่นตรงที่เคยเป็นคนมาก่อนนอกจาก จากนั้นในชีวิตที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ได้ทําความดีงามต่อประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดจนเป็นที่รักใคร่และก็นับถือของคนในสมัยนั้นในภายหลังนะคะชาวบ้านจํานวนมากที่อยู่บริเวณโดยรอบเขาใหญ่ต่างยืนยันว่าเจ้าพ่อประหลัดจางท่านเป็นเจ้าพ่อองค์ประธานของเขาใหญ่จริงๆอาจารย์ประมวลหัวหน้าคณะผู้สืบหาความจริงในครั้งนั้นก็ได้เร่งการจัดสร้างสาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จนเสร็จสิ้นลงและได้มีการ ทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อประหลัดจ่างมาสถิตในวันที่26มกราคม2 5 0พสี่และก็ขนานนามว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่ในเวลาต่อมานะคะในวันที่26กมกราคมของทุกปีก็จะมีการบวงสวง เพื่อระลึกถึงบุญคุณของเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะที่ท่านช่วยปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้มาโดยตลอดเมื่อศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เสร็จสิ้นตามกำหนดทุกอย่างชาวบ้านทั้งในท้องที่แล้วก็ต่างจังหวัดค่ะต่างก็แวะเวียนมากระดาบไหว้สการะ ทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะก็จะมีคนนำเข้าของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหวานดอกไม้พวงมาลายัยมาถว า, ายกันอย่างแน่นขนาดเลยล่ะค่ะแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ต้องจบชีวิตลงในป่าเขาใหญ่อย่างเป็นปริศนาเพียงแค่ลบหลูท่านโดยรูเท่าไม่ถึงการ